้อสังเกตจากพุทพจน์ในอนาคตะโสที่สข้อคอทีนี้ก็มาถึงข้อสำคัญที่ว่าเหตุใดจึงตรัสแสดงคุณสมบัติของผู้สอนโดยส่งใช้หลักภาวิตะสแต่ทรงแสดงหลักธรรมที่จะสอนหรือตัวระบบการศึกษาโดยใช้หลักสิกขาสาแยกต่างกันเป็นสองชุดข้อสงสัยนี้ตอบง่ายๆสั้นๆว่าเพราะมีความมุ่งหมาย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 ซึ่งมีแค่สมด้านหรือ3ามแดนเป็นองค์ประกอบหรือองค์ร่วมสามอย่างที่รวมกันเป็นชีวิตซึ่งพาการดำเนินเดินหน้าพัฒนาไปด้วยกันชีวิตสด้านของคนเหล่านี้ที่พัฒนาไปด้วยกันมีอะไรบ้างก็แยกเป็นชีวิตด้านที่หนึ่งด้านสื่อกับโลกได้แก่การรับรู้ติดต่อสื่อสารสัมพันธ์พฤติกรรมความประพฤต และการแสดงออกต่อหรือกับเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอื่นๆผ่านช่องทางหรือประตูหรือผ่านทวาวรสองชุดคือชุดก่อผัสสัทวานทางรับรู้คือตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งจุมทางคือใจเป็น6ผัสสัทวาน6กนี้ตามปกติเรียกชื่อตามหน้าที่หรือคุณค่าในการใช้งานว่าอายตนะหแต่ในเวลาทาหน้าที่ออกทางานนิยมเรียกว่า อินสีหกทวารชุดที่สองคือกรรมมัทวารทางทำกรรมคือกายว่าจารวมชุมทางคือใจด้วยเป็นสามด้านนี้พูดง่ายๆว่าแดนหรือด้านที่สื่อกับโลกเรียกสั้นๆคำเดียวว่าศีลชีวิตด้านที่สองด้านจิตใจได้แก่การทำงานของจิตใจ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 และเป็นเหตุปัจจัยแก่กันไม่แยกต่างหากจากกันขออธิบายเพียงสั้นๆพอให้เห็นเป็นแนวการสัมพันธ์กับโลกโด้วยอินทรีย์คือภาษาวาวรและด้วยพฤติกรรมทางกายวาจาคือชีวิตด้านที่หนึ่งจะเป็นไปอย่างไรก็ขึ้นต่อเจตนาขึ้นต่อสภาพความรู้สึกภาวะและคุณสมบัติต่างๆของจิตใจคือขึ้นต่อชีวิตด้านที่สองและทั้งหมดนั้น ทำได้เท่าที่ปัญญาที่ช่องสองทางให้รู้แค่ไหนก็คิดและทำได้แค่นั้นคือภายในขอบเขตของปัญญาคือชีวิตด้านที่สามความตั้งใจและความต้องการเป็นต้นของจิตใจต้องอาศัยการสื่อทางอินทรีย์และพฤติกรรมกายวาจาเป็นเครื่องสนองคือความตั้งใจและความต้องการเป็นต้นของชีวิตด้านที่สองต้องอาศัยชีวิตด้านที่หนึ่งต้องถูกกาหนด และจำกัดขอบเขตตลอดจนปรับเปลี่ยนโดยความเชื่อถือความคิดเห็นและความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่และที่เพิ่มหรือเปลี่ยนไปคือถูกกำหนดและจำกัดขอบเขตตลอดจนปรับเปลี่ยนโดยชีวิตด้านที่สปัญญาจะทำงานและพัฒนาได้ดีหรือไม่ต้องอาศัยอินรีเช่นดูฟังอาศัยกายเคลื่อนไหวเช่นเดินไป จัดค้นเป็นต้นใช้วาจาสื่อสารไถ่าถามตามทักษะเท่าที่มีคือชีวิตด้านที่สามจะทำงานและพัฒนาได้ดีหรือไม่ก็ต้องอาศัยชีวิตด้านที่หนึ่งและต้องอาศัยภาวะและคุณสมบัติของจิตใจเช่นความสนใจใฝ่ใจความมีใจเข้มแข็งสู้ปัญหาความขยันอดทนความรอบคอบมีสติความมีใจสงบแน่วแน่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 หรือการดำเนินชีวิตเป็นสด้านจะแบ่งมากหรือน้อยกว่านี้ไม่ได้เมื่อชีวิตที่ดำเนินไปมีสด้านอย่างนี้<ฮ>การศึกษาที่ฝึกคนให้ดำเนินชีวิตได้ดี<ค><ะ>ก็ต้องฝึกฝนพัฒนาที่สด้านของชีวิตนั้นดังนั้นการฝึกหรือศึกษาคือสิกขาจึงแยกเป็นสมส่วน<ส donne>ดังที่เรียกว่าไตรสิกขา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 คือฝึกอบรมศีลดีแล้วจึงเจริญสมาธิแล้วจึงพัฒนาปัญญาเมื่อมองไตรสิกขาแบบนี้ <c oughs> ก็จะเห็นเป็นภาพรวมที่เป็นระบบใหญ่ของการฝึกซึ่งมีองค์สามนั้นเด่นขึ้นมาทีละอย่างจากหยาบแล้วละเอียดประณีตขึ้นไปเป็นช่วงๆหรือเป็นขั้นๆตามลำดับคือช่วงแรกเด่นออกมาข้างนอกที่อินทรีย์หรือที่ผัสสะทวาร และกายวาจาก็เป็นขั้นศีลช่วงที่สองเด่นด้านภายในที่จิตใจก็เป็นขั้นสมาธิช่วงที่สามเด่นที่ความรู้ความคิดเข้าใจก็เป็นขั้นปัญญาแต่ในทุกขั้นนั้นเององค์อีกสองอย่างก็ทา ง, งานร่วมอยู่ด้วยโดยตลอดเป็นอันว่านั่นคือการมองแบบภาพรวม จับเอางานส่วนที่เด่นในขั้นนั้นขึ้นมาเน้นทีละอย่างทีละอย่างขยับสูงขึ้นไปในการฝึกอบรมพัฒนาตามลาดับเพื่อให้ส่วนที่หยาบกว่าพร้อมที่จะรองรับเป็นฐานให้แก่การเจริญงอกงามหรือทํางานออกผลของส่วนที่ประณีตละเอียดอ่อนเหมือนที่พูดว่าอ๋อจะตัดไม้ใหญ่ต้นนี้หรือก็หนึ่งต้องจัดบริเวณทําพื้นที่เหยียบยันให้สะดวกขยับเขยืนเคลื่อนไหวได้คล่อง ปลอดภัยและแน่นหนามั่นคงอันนี้เป็นเรื่องของศีลสองต้องเตรียมกำลังให้แข็งแรงใจสู้เอาจริงจับมีดหรือขวานให้ถนัดมั่นมีสติดีจใจมุ่งแน่วไม่วกแวกอันนี้เป็นเรื่องของสมาธิแล้วก็สามต้องมีอุปกรณ์คือมีดหรือขวานที่ใช้ตัดที่ได้ขนาดมีคุณภาพดีและรับไว้คมกริบ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 ทำด้วยสติมีความเพียรมีความรับผิดชอบเป็นต้นและในขณะที่ทำสภาพจิตใจของเราเป็นอย่างไรเร่าร้อนกระวนกระวายกุ่นมัวเศาหมองหรือว่ามีจิตใจที่สงบร่าเริงเบิกบานเป็นสุขเ อ, อิบอิ่มผ่องใสอันนี้เป็นเรื่องของสมาธิและเรื่องที่ทำครั้งนี้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 เป็นการบำเพ็ญไตรสิกขาในระดับรอบเล็กคือครบสิกขาทั้ง3ในพฤติกรรมเดียวหรือกิจกรรมเดียวพร้อมกันนั้นการศึกษาของไตรสิกขาในระดับขั้นตอนใหญ่ก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปทีละส่วนอย่างเป็นไปเองด้วยซึ่งเมื่อมองดูภายนอกก็เหมือนศึกษาไปตามลำดับทีละอย่างทีละขั้นโดยที่ในเวลาเดียวกันนั้นไตรสิกขาในระดับรอบเล็กนี้